เมื่อนอนตื่นลืมตามีสติและพึงคิดใช้ชีวิตด้วยเหตุผลใช้ปัญญาหาสิ่งดีมาใส่ตนจะเป็นคนพ้นลำบากมียากเลยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในโหมดของตำนานธรรมะศักดิ์สิทธิ์ผมเชื่อว่าหลายท่านที่เคยไปทำบุญตามวัดตามวาต่างๆก็น่าจะเคยเห็นพระพุทธรูปลักษณะหนึ่งที่มีลักษณะ ภูมิพลุ้ยสีทองนั่งยิ้มมีเด็กล้อมองพระพุทธรูปอยู่คุ้นคุ้นกันบ้างไหมครับคิดว่าน่าจะคุ้นกันแล้วนั่นหละครับพระสังกระจายตามแบบคำเรียกแบบไทยนะครับพระสังกจายมีเลิฟโ佛หรือที่นิยมเรียกกันว่าพระสังกจายผุทิสัต์เป็นคำเรียกทางพุทธศาสนาฝ่ายมหา ย, ยานซึ่งเป็นองค์เดียวกันกันกบคาเรียกทางพุทธศาสนาฝ่ายหินยาน พระอาริหรือพระสีอริยะเมตรัยอันเป็นคติความเชื่อทางพุทธศาสนาที่หมายถึงพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ที่จะมาบังเกิดในอนาคตการนับเวลานั้นเชื่อกันว่าสันติสุขอันแท้ จ, จริงจะบังเกิดขึ้นแก่มวลมนุษยชาติพระสังกจายมีอีกชื่อหนึ่งว่ากัจจานะหรือกัจจายนะในญี่ปุ่นรู้จักทั่วไปในชื่อคัตเซนเนนส่วนในประเทศไทยนอกจากชื่อตามภาษาบาลีแล้ว พระสังกัจจัยยังเป็นที่รู้จักในนามว่าพระสังกระจัยอีกชื่อหนึ่งตามแบบไทยๆพระมหากระจายนะเป็นพระอาหารหันต์หนึ่งใน80พระอสีติมหาสาวกในศาสนาของพระโคโดมพุทธเจ้าคือผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตัทัคคะในทางพู้ดิบายธรรมความย่อให้พิสดารรูปลักษณะของพระสังกจัจจยตามแบบคติชาวจีนนั้นจะเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะอ้วนพุมพลุย เปลย อ, อกมีใบหน้าที่สดชื่นร่าเริ่มสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสและมักหูเราะ่าเริงอยู่เสมอสองหูยาวจรดบ่ามักเห็นท่านในลักษณะท่านั่งอย่างสบายอารมณ์และปรากฏรูปเด็กๆวิ่งไล่ร้อมอยู่รอบตัวเด็กๆที่ปีนป่ายอยู่รอบตัวพระสังกัจจายนั้นจะต้องเป็นเด็กผู้ชายจำนวน5คนและเด็กชายห้าคนเป็นความหมายแฝงที่หมายถึงอูฟ่ฟูหรือความสุขทั้ง5้าประการ อันถือเป็นความสุขที่เที่ยงแท้ของชีวิตมนุษย์พระมหากัจจายนะนั้นตามตำนานของพุทธสาวก80องค์กล่าวว่าพระสังกัจจัยเป็นบุตรของพราหมณ์ปุโรหิตกัจจานโคดหรือกัจจายนะโคดในแผ่นดินของพระเจ้าจันทปัะโชดกรุงอุตเชนีท่านเป็นสิทธของอสิดาบทแห่งเขาวินไทยก็คือผู้ที่ทํานายว่าเจ้าชายสิทธัตถะจะได้เป็นพระเจ้าจากักภัทหรือพระพุทธเจ้าในอนาคตนั่นเอง และกัจจายนะก็ได้เรียนพระเวทพระคาถาต่างๆแบบที่พราหมณ์ส่วนใหญ่เรียนกันจนเมื่อกัจจายนะกุมารเจริญวัยเรียนจบไตรเพศบิดาก็ได้ถึงแก่กรรมลงจึงได้รับตำแหน่งปุโรหิตแทนบิดาครั้นต่อมาพระเจ้าจันทประโ ช, ชสทรงทราบว่าพระศาสดาตรัสรู้แล้วเสด็จเที่ยวโปรดสัตสังสอนอยู่ประชุมชนธรรมะที่พระองค์ทรงสอนนั้นเป็นธรรมะที่แท้จริง ยังประโยชน์แก่ผู้ประพฤติตามจึงมีพระประสงค์คร่เชิญเสเด็จพระบรมศาสดาไปประกาศที่กรุงอุเฉนีจึงรับสั่งให้กัจจายนะปุโรหิตไปทูลเสเด็จมายังกรุงอุเฉนีกัจจายนะปุโรหิตพร้อมได้ผู้ติดตามอีกเจคนจึงออกจากกรุงอุเฉนีเพื่อไปทําหน้าที่ครั้นมาถึงจึงพากันเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาพระองค์ก็ทรงเทศสั่งสอนในที่สุดหลังจากทั้ง8คนได้สดับรับฟังพระธรรม กับบรรุพระอาหารหันต์ทั้ง8คนหลังจากนั้นทั้งแปดก็ทูลขออุปสมบทกับองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าและเมื่ออุปสมบทแล้วจึงทูลเชิญเสด็จกรุงอุชเชนีตามหน้าที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้ารับสั่งว่าท่านไปเองเถิดเมื่อท่านไปแล้วพระเจ้าปัรโชดจากทรงเลื่อมใสท่านพระกัจจายนะได้ฟังจึงออกเดินทางพร้อมกับพระอาหารหันต์อีกเจองค์ที่ติดตามมาด้วยคืนกลับสู่กรุงอุชเชนี และประกาศสัจธรรมให้แก่พระเจ้าจันทปัตโชดพร้อมชาวพนักครที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและถ้อยคําประการอันเป็นสัจธรรมหลังจากนั้นก็กลับคืนสู่สํานักของพระพุทธองค์พระพุทธองค์ตรัสว่าท่านเป็นผู้ฉลาดในการอธิบายแห่งการย่อคําพิสานและนับจากนั้นมาพระสังกจายก็เป็นผู้สรุปคําย่อคําสอนบอกแก่บรรดาสาวกทั้งหลายด้วยความพอใจอย่างยิ่งในคําย่อนั้น และยางเป็นผู้ทูลขอให้พระพุทธองค์บัญญัติแก้ไขพุทธบัญญัติบางประการปรากฏว่าเป็นที่พอพระไทยแก่องค์พระศาสดาเป็นอย่างมากพระสังกจจัยเป็นผู้มีรูปงามผิวเหลืองดุดทองคําตํานานเล่าว่าครั้งหนึ่งมีโสเรยาบุตรเศรษฐีขนองเห็นพระสังกจายจึงปากพร้อยกล่าวว่าเนี่ยถ้าเราได้ภรรยาที่มีรูปกายงดงามเยี่ยงทันเนี่ยเราจักพอใจยิ่งนักท่านปรากฏว่า สูรยยะบุตรมหาเศรษฐีหนุ่มขนองปากนั้นก็ได้กลายเพศกลายเป็นหญิงในทันทีด้วยความตกใจจึงได้หลบหนีไปต่อมาได้สามีและมีบุตรสองคนจึงกลับมาขอขมากับพระสังกจายสูรยยะจึงได้กลับคืนสู่เพศชายเช่นเดิมนับว่าพระสังกจายมีฤทธิ์อำนาจยิ่งองค์หนึ่งในพุทธสาวกแล้วก็มีเรื่องแทรกเข้ามาว่าเพราะรูปกายอนุดงามของพระสังกจายนั้น สร้างความปันปวนแก่สตรีเพศอย่างมากจึงได้เนนิมิตกายใหม่ให้อ้วนพุงพุ้ยน่าเกลียดเพื่อความสงบแห่งจิตและกิเลสเรื่องราวของพระสังกจายนั้นพอสรุปได้ว่าเป็นพระพุทธสาวกที่มีความฉดฉลาดมีความรู้และเป็นที่โปรดปรานของพุทธองค์อย่างยิ่งมีบารมีมีอิทธิฤทธิผู้ใดบูชาพระสังกจายจึงถือว่าได้รับพรจากพุทธสาวกอันเป็นเอตะทักคะอย่างสมบูรณ เมื่อพูดถึงเรื่องโชคลาภที่แท้จริงแล้วชาพุทธเราจำนวนไม่น้อยต่างได้ลาบอันประเสริฐกันทุกคนลาบอันประเสริฐที่ว่าก็คือความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนั่นเองตามบาลีที่ว่าอโรคยาปรมาลาภาทั้งนี้พระพุทธเจ้าทรงเน้นเรื่องโรคทางใจมากกว่าเรื่องโรคทางกายพระองค์สรุปว่าผู้ที่ไม่มีโรคทางกายเป็นเวลาหลายปีนั้นพอหาได้ แต่ผู้ที่ไม่มีโรคทางใจแม้เพียงชั่วซี ว, วินาทีเดียวก็หาได้ยากในทางพุทธศาสนามหายานนั้นปฏิการสร้างรูปคารพพระสังกจัจจยหรือมีเล่ห์ฝอเริ่มเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยราชวงศ์ซ่งหรือซองซึ่งเป็นสมัยแห่งความรุ่งเรืองทางศิลปะหัตถกรรมจีนรูปคารพทางพุทธศาสนาจึงได้ถูกนามาใช้ในความหมายที่ดีแก่ราชสำนักและกหบดีทั่วไป้วยเหตุดังกล่าวนี้ ภาพวาดจิตตกรรมจีนประเพณีปฏติมากรรมภาษสังกจายหรือหมีเล่อฝอจึงถูกนํามาใช้วัฒนธรรมอันเป็นมงคลเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขสมบัติและความหมายที่ดีสําหรับการใช้เป็นภาพอวยพรให้แก่กันเพื่อให้การดําเนินชีวิตใดๆสําเร็จตามประสงค์และเพียรพร้อมด้วยปิติสุขตลอดไปผู้ใดบูชาภาษสังกจายย่อมเป็นมหามงคลอุดมด้วยลาบยศความเจริญรุ่งเรืองดีนักแลก็มีวิธีมาบอกกันนะครับ วิธีขอพลังคือตั้งจิตอธิษฐานใช้มือขวารูปที่พุ่งวนตามเข็มนาฬิกาสมรอบหมายถึงเอาเมือไปรูปที่พระพุทธรูปนะครับปางที่ดีที่สุดก็คือปางที่เมื่อเราเห็นแล้วเรารู้สึกรักรู้สึกชอบเห็นแล้วรู้สึกดีนั่นแหละครับปางนั้นพระอระหันต์ผู้บรรดาลโชคลาบปัญญาและเมตตามหานิยมนั่งมังกรหมายถึงให้มีวาสนาเป็นผู้ปกครองคน ชาพูดกราบไหว้สักการะบูชาพระสังกจายเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล3าประการแก่ตนเองและครอบครัวหลังนี้ 1. โชคลาภและความอุดมสมบูรณ์พระสังกจายได้รับการยกย่องให้เป็นผู้อุดมด้วยพวกทรัพย์และลาบสักการะเสมอด้วยพระศิวลีสติปัญญาเพราะเนื่องจากพระสังกจายได้รับการยกย่องจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นเลิศในทางอธิบายธรรมพุทธสุภาษิต ท, ท่านเป็นพระอาหารหันต์ที่มีปฏิพานเฉียบแหลม ความงามและความมิสเสนเนื่องจากก่อนที่ท่านจะนิฐานจิตให้รูปร่างเปลี่ยนแปลงพระสังกจายมีผิวดังทองคําและมีรูปงามละไมเหมือนพระพุทธเจ้าจนแม้แต่เทพ ย, ายดาพรหมมนุษย์ทั้งปวงพากาัน ร, รักใคร่และชื่นชมในการบูชาพระสังกจายนั้นบูชาด้วยทูบสามดอกพร้อมดอกไม้สีขาวมีกลิ่นหอมต่างๆหรือดอกบัวเจดดอกม่ว่าจะบูชาด้วยดอกใดๆก็ให้ใช้เจดดอกและควรบูชาสองเวลาคือ เช้าก่อนไปทํางานและเย็นก่อนนอนเพื่อขอให้ท่านประสาทพรโชคลาบภูทวีและมีเคล็ดอย่างหนึ่งว่าพระสังกจายนั้นหากบูชาวไว้ในบ้านให้ปิดทองที่ภูมิของท่านเชื่อว่าจะมีลาบไหลมาไม่ขาดสายครับและในตอนเช้าก็ให้กล่าวคําบูชาท่านส่วนพระคถาบูชารบกวนให้ไปหากันดูเองนะครับแล้วก็ขอพอรท่านว่าเราประสงค์สิ่งใดบ้าง ส่วนในการไปไหว้พระสังกัจจายองค์ใหญ่ที่วัดนั้นควรมีดอกบัวหนึ่งดอกทูบสามดอกและทองคาเปลว3ามแผ่นแผ่นที่1ปิดที่หน้าผาขอพรให้มีปัญญาเฉียบแหลมแบบท่านแผ่นที่สองปิดที่ปากของท่านเพื่อขอให้เกิดเมตตามหานิยมแผ่นที่สมให้ปิดทีูุ่งเพื่อขอโชคลาภไหลภูณทวีเข้ามาแล้วก็กล่าวคาถาบูชาที่ทางวัดเขามีไว้ให้ ส่วนท่านได้สะดวกจะสวดคาถาบูชาขอลาบมาใช้สูตรทุกวันได้เพื่อเป็นสิริมงคลก็ดีเสร็จแล้วให้เอามือบีบข่าท่านและขอพรทำไมจะต้องบีบเข่าพระสังกจายนะหรือครับเพราะว่ามีเรื่องเล่าว่าพระอินจะหมดบุญจากเทวโลกและไม่อยากลงมาเกิดอีกจึงไปกราบพระโมคคลาท่านก็ไม่สามารถแนะนำวิธีที่จะทาให้พี่อินไม่ต้องลงมาเกิดไม่ได้ดูจะไปถามพระพุทธเจ้า พระองค์ก็ทรงไปปรีกวิเวกส่วนพระองค์พอดีพระอินนึกขึ้นมาได้ว่าพระสังกาจายท่านมีปัญญาเฉียบแหลมต้องรู้แน่ๆจึงเสด็จไปหาพระสังกาจายัยพอพบท่านพระอินก็ตรงเข้าไปบีบเข่าถวายแก้ปวดเมื่อให้ท่านเลยพระสังกาจายท่านใช้ยานก็รู้ว่าพระอินมาด้วยเรื่องอะไรท่านเห็นว่าพระอินเป็นผู้นอบน้อม จึงแนะนำให้พระอินทร์ตอบุญด้วยการไตรบาทพระมหากัศปะขณะออกจากนิโรธสมาธิเพราะอ น, นิสงส์แรงมากจึงกราบลาและไปปฏิบัติตามดังกล่าวปรากฏว่าพระอินทร์ก็ต่อบุญได้อีกไม่ต้องจุดติจากสวรรค์มาเกิดอีกจึงเป็นเคสที่ว่าเวลาไปกราบพระสังกจายใหญ่ๆตามวัดนั้นเวลาขอพรจะต้องบีบเขาท่านไปด้วยพระสังกจายมีพุทธลักษณะอ้วนพุงพลุย มีความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์โชคลาบเป็นหนึ่งในภาษา v o k ใหญ่จัดอยู่ในเอตาทัคะลักษณะของพระสังกายโดดเด่นมองเห็นก็รู้ว่าเป็นพุทธสาวกองค์ไหนและเมื่อสรุปแล้วก็จะเห็นว่าพุทธสาวกจํานวน80องค์พระเอตทัคะ41องค์นั้นมีเพียงพระสังกายเท่านั้นที่สร้างอย่างโดดเด่นคติการสร้างพระสังกายนิยมสร้างกันมากพระสังกายแบบจีน แบบมหายานหินไดยานโดยเฉพาะแบบจีนพระสังกัจจายจนนิยมสร้างมากกว่าในเมืองโดยมีคติความเชื่อที่ว่าผู้ใดบูชาพระสังกัจจายย่อมเป็นมหามงคลอุดมด้วยลาบยศความเจริญนุ่งเลืองดีนักแลและนี่ก็เป็นเกร็ดความรู้เกี่ยวกับตำนานเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับพระสังกัจจายที่ผมพอจะหามาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันได้นะครับขาดตกบกพร่องยังไงต้องขออภัยนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบสมบูรณ์พูนสุข หลังจากที่ได้ฟังเรื่องเกี่ยวกับพระสังกัจจัยเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ